50 languages. 39. e Road. เสีย Car broken. Pump. Next. ่ h e r e is it? Next petrol s i r मेरा टायर ัง क ् च र ह ฮ ग เा है เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะแก๊ปไถ่บดลสักเต้นดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะมุ झे เย่ดูลิตรเพทโอลใจเยดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะม ुझे ดูลิตดจ คุณมีแกลอนน้มันไหมคะ่ลอนน้ำมันไหมคะครับคุณมีแกันไะโท่ศัพท์ไดอนน้ำมันไหมคะแก่ क ह ัं से ณมีลอนน้ำมันไหมคะแก่คับีอน้ไหคะการรถลากลอคะ่ครับคุณมีीกลอนน้ำมันไหมแก่ครับคีแกลันหคะแก่คลอมันหมคะแก่ักอำมันหคะ่รค ผมอีกเวิร์กตั้งกำเกิดอุบัติเหตุเหตุกกตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะโท่คะคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะมีโทรศัพอถือะราต้องกาคมรหความช่วยเือหลคือคะะ ตามหตามหมอให้ทีค่ะดอกเตอร์บุลลเรียกตำรวจให้ทีค่ะตก็บุลขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะอพน์เนาดิขยขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะอพนาดไล์ดิขย ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะการิเกะกากซาติไคเย